บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานในส่วนของสมถกรรมฐานคือกรรมฐานที่ทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ดีในส่วนที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานคือการใช้ปัญญา วิเราะตรวจสอบสิ่งทั้งหลายให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นและสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดที่เคยมีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นในรูปที่มีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นลงไปได้แต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็น ปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันธรรมะปฏิบัติทั้งมวลไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ในตัวของธรรมะเรานั่นเองนั้นกิ จ, จวัตรประจำวันที่บุคคลประพฤติปฏิบัติไปในรูปที่ยุติโดยเหตุผลและความดีสามารถตระหบันเทา กิเลสในชั้นต่างๆให้เจอจางบาบางลงไปก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะเพิ่มพูนส่วนแห่งความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างรวดเร็วขึ้นด น, นั้นขั้นตอนของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงออกไปโดยอเนกประยายจะเรียกว่านยะต่างๆอย่างราูปตธดำรัสที่จัดตอบ มานบทั้งส6บกคนซึ่งเป็นสิทธิ์ของพราหม์าวีที่มากราบทูลถามปัญหาซึ่งได้แสดงมาโดยดําดับนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะเห็นว่าเนื่องจากมานบเหล่านั้นเป็นผู้เบือนานายในคารวาสสวียสคือการครองเรือนมุ่งหมายความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์พระธรรมเทศนาส่วนใหญ่จึงเน้นไปในการสารอกกิเลสก้าว เพื่อไม่ให้จิตพัวพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นประการสำคัญแต่โวหารในการแสดงนั้นก็จะแสดงไปโดยวิธีการต่างๆแต่เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะเข้าสู่จุดหมายคือความสงบและความรู้ยิ่งซึ่งจะปังเกิดขึ้นจากปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาของบุคคลนั้นๆแม้จะเป็นธรรมะที่แสดง แก่คนซึ่งมือพื้นฐานบา ร, รมีสูงและมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระอระหันต์ก็ตามแล้วโดยโครงสร้างของการประพิธปฏิบัติแล้วก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันขั้นตอนในการประพิธปฏิบัติความสามารถในการประพปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นมีความแตกต่างกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะสัมผัสผลตามสมควรแก่ฐานะนั้น อย่างที่เชตุกันนีมานพได้มากราบทูลถามปัญหาต่อพระพมีพระภาคเจ้าก็ดืนท่านก็กล่าวยกย่องสรรเสริญสถานะของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ศัตรูดีศัตรูชอบโด้วยปรุงเองมีพระปัญญาจักสุที่รู้แจ้งเห็นจริงถึงสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงท่านเองมีความศรัทธาเชื่อมั่น ในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าสามารถที่จะชี้แจงแสดงทางแห่งความสงบให้แก่ท่านได้จึงขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางแห่งความสงบให้ทราบซึ่งความสงบทางสงบนั้นที่จริงก็มีอยู่หลายชั้นแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติถ้ากิเลสลดลงไปความสงบมันก็เกิดขึ้นในแต่ละชั้นได้เช่นเกิดความโกรธย่างรุนแรงขึ้นมา และก็ใช้ธรรมะคือการข่มใจเอาไว้ไม่รู้อำนาจแกอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นใจก็จรับความสงบในชั้นหนึ่งหรือบางครั้งบางคราว จ, จิตใจฟุ้งซ่านสั้สายไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากมายได้เกินบุคคลก็หางานมาทำหาบทสวดมนต์มาสวดหาหนังสือธรรมะมาอ่านก็กคุม จ, จิตใจของตนให้สงบไว้ในเรื่องนั้นๆใจก็จะรับความสงบกว่าปกติที่เคยเป็น เราทำมาปฏิบัติทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับว่าเมื่อกิเลสล ด, ดละลงไปความสงบก็จะบังเกิดขึ้นอาจจะทรงแสดงในรูปของบุญยากิยาวัตถุหรือวัตถุที่จะให้เกิดบุญซึ่งบุญในส่วนเหตุก็คือการขจัดกิเลสในเจือจางประปางลงไปจากจิตใจผนที่เป็นส่วนผลก็คือความสุขใจที่บุคคลเหล่านั้นจะพึงได้รับจากการบําเพ็ญบุญในแต่ละข้อ วันแต่ละอย่างก็เป็นทางแห่งความสงบด้วยกันทั้งนั้นในชานข้องศีลทั้งห้าประการก็เป็นความสงบในชั้นเวรภยัยซึ่งก็ปิดประตูไว้ได้ถึงห้าทางด้วยกันถึงก็บหมายความว่าถ้าบุคคลได้สมาทานศีลอยู่เสมอไม่ประพฤติไม่กระทําลักษณะที่เป็นการละเมิดศีลในแต่ละข้อก็ปิดทางแห่งเวรไพร์จากการละเมิดศีลได้แต่ว่า ปัญหาเราอื่นก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางแห่งความไม่สงบนั้นไม่ได้มาจากด้านศีลอย่างเดียวบางครั้งมันก็มาในด้านจิตใจความรู้สึกนึกคิดเฉยๆพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในอีกชั้นหนึ่งคือเรื่องของสมถกรรมฐานอย่างที่ทราบกันสมถกรรมฐานเป็นข้อปฏิบัติที่มุ่งหมายจะสงบกิเลสประเภทความโลภโลกรธหลงเหมือนกันแต่ว่ามีความรุนแรงน้อยกว่า คือไม่ถึงกับประพฤติกระทำอะไรออกมาทางกายทางวาจาที่เป็นทุจริตเพียงแต่ความคิดเป็นทุจริตเท่านั้นแต่ว่าทุจริตก็คือทุจริตจะมีลักษณะเหมือนกับไฟือก่อให้เกิดความร้าร้อนตามปริมาณของไฟที่ติดขึ้นในแต่ละขณะเพราะฉะนั้นทุจริตถึงในที่นี้เรียกว่านิวัรธรรมทั้งหาประการ เมื่อเกิดขึ้นก็จะเผาลนจิตใจของบุคคลในเร่าร้อนก็ทรงแสดงธรรมะในชั้นที่จะล ด, ดละบรรเทาความเร่าร้อนจากความปรุงคิดคิดปรุงของบุคคลเหล่านั้นโดยจะคิดปรุงด้วยอำนาจของการมฉันและด้วยอำนาจของพยาบาทก็ตามแต่พอมาถึงในชั้นนี้เนื่องจากผู้กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่มีปัญญาแลวก็เป็นนักบวชอยู่ก่อนแล้ว ธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงจึงมุ่งที่จะให้เกิดใช้ปัญญาโดยรับสั่งเป็นใจความว่าให้เธอมองเห็นเนคามะหรือการที่จะดึงกายดึงจิตของตนออกไปจากกามเป็นทางแห่งความกเกษมแต่มองเห็นโทษของกามาคุณทั้งหลายให้ประจักษ์แก่ใจของตนเองเปลี่ยนพยายามที่จะถ่ายถอนจิตใจของตนเอง จากอำนาจของกิเลสการทั้งหลายและพยายามขจัดกิเลสเครื่องกังวลที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนให้เบาบางลงไปซึ่งก็เป็นหลักการปฏิบัติที่เป็นโครงสร้างหลักของผู้ต้องการความสงบความรู้ยิ่งความรู้ดีในทางพระพุทธศาสนาประตามปกติแล้วเราจะพบว่า ธรรมะทั้งสามกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกุศลอกุศลได้ส่วนที่เป็นก ล, งกลางนั้นส่วนก ล, กลางไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไรถ้าใจของบุคคลไม่มีปัญหาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสรแสดงในทุกขสัตริย์โดยสรุปที่ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตยึดปั้นถือปั้นในขันธ์ทั้งห้านั้นเองเป็นความทุกข์ซึ่งก็หมายความว่าขันธ์ห้านั้นก็คือขันธ์ห้า แต่มันเกิดขึ้นโดยปัจจัยปรุงแต่งของมันมันเป็นกฎธรรมชาติของมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันมีการประจวบประชุมกันของสิ่งนั้นๆมันก็เกิดเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะขึ้นมาแต่เราก็จะมองเห็นในแง่ของความเป็นจริงกว่าพวกขันธาตุอายตนะคือคนสัตว์พูดง่ายๆว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต่างๆนั่นก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์แก่เราเสมอไป บางอย่างเราเห็นแล้วแม้จะมีความพิบัติแตกสลายหรือล้มตายไปของคนของสัตว์ของสิ่งของนั้นๆเราก็อาจจะรู้สึกเฉยๆไม่น้ำซ้ำบางครั้งก็อาจจะรู้สึกชื่นชมยินดีโดยซ้ําไปที่สมบัติของศัตรูพินาศไปหรือศัตรูพินาศไปหรือวั า, ธานธรรมตำแหน่งของคนที่เป็นศัตรูของเราประสบความพิบัติไปเราเกิดความชื่นชมยินดีแต่ว่า ที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์มีความโศกความร่ําไรรําพันเป็นต้นนั้นต้องก็เกิดขึ้นในวัตถุกรรมที่มีการกําหนดอีกแนวหนึ่งแต่นั้นเองคือไปกําหนดว่าน้าแครนหน้าปรารถนาน้าพอใจอีกทรงใช้อีกแนวหนึ่งว่ากําหนดว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราและการกําหนดในแนวนี้ก็พึงสังเกตว่าบางครั้งใจมันก็ยอมรับได้ปรับได้ เช่นว่าเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งหนึ่งก็ต้องการที่จะให้คนอื่นเขายอมรับนับถือสถานะในตาแหน่งนั้นๆถ้าใครไม่ยอมรับนับถือสถานะเหล่านั้นแล้วก็เกิดปฏิฆาบ้างเกิดความไม่พอใจบ้างบางครั้งก็รุนแรงอาจจะตรงถึงกับไปอาฆาตพยาบาทเขาบ้างแเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสถานะเหล่านั้นไปแล้วแต่ความยึดถือเหล่านั้นก็ปล่อยวางไปได้เพราะว่า เมื่อมีคนมาเรียกร้องตามฐานะเดิมเราก็พร้อมที่จะปฏิเสธว่าเราไม่ได้เป็นในฐานะเหล่านั้นแล้วการยอมรับนับถือในสถานะที่เคยปรารถนาอยู่ก่อนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นเมื่อบุคคลมาพิจารณาก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวกลางๆคือตัวอัปยากรตะธรรมนี่มันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเอง ถ้าใจไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ในแนวใดแนวหนึ่งมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลในแนวนั้นๆที่ปรากฏออกมาเป็นรูปของเวทนาเวทนาจึงมีอยู่3ามกลุ่มใหญ่ๆแม้บางครั้งจะส่งจับแนกแสดงออกไปตั้ง5ตั้ง 9, เตั้ง6หรือตั้ง32ตั้งร0ออะไรก็ตามแต่แ ท, ท, ท้จริงแล้วมันก็มีเวทนาหลักอยู่เพียงสเวทนาเท่านั้น ทำไมจึงมีอยู่สามเพราะว่าธรรมะมันก็มีอยู่สามคือกุศลอกุศลและกลางกลางเพราะงั้นเมื่อบุคคลไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดเวทนาได้ทั้งสามแต่เวทนาทั้งสามที่เกิดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีนั้นเพิ่งสังเกตว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวกําหนดว่าถ้าสุขแล้วจะต้องเกิดจากกุศลทุกข์แล้วจะต้องเกิดจากอกุศลหรือว่ากลางกลางแล้วอุเบกขาและไอ เวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วจะเกิดขึ้นมาจากธรรมที่เป็นกลางกลางหรืออัิญากริ่แล้วขึ้นอยู่กับใจของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในขณะนั้นๆบางคนรู้สึกว่าได้ดา่าตามที่ตัวอยากด่าได้พูดตามที่ตัวอยากพูดอยากดินทาตามที่ตัวได้ดินทารู้สึกสะใจสบายใจเพลิดเพลินเป็นสุขจากการพูดจากการกระทำเช่นนั้น ทุกขเวทนาในลักษณะนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากอากุศลที่ออกมาทั้งในรูปวจีทุจริตบ้างกายทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างแต่บางครั้งเราอาจจะเกิดทุกข์โดยการประพฤติปฏิบัติก็ได้โดยการประพฤติปฏิบัติความดีแต่ในตอนต้นก็เกิดทุกขเวทนาเช่นการบําเพ็ญเพียรในด้านจิตใจนั้นเราจะประสบในด้านทุกขเวทนามากคือปวดเมื่อยในด้านร่างกายเป็นต้นเกิดขึ้น นีก็แสดงว่าทุกขเวทนาบางครั้งมาเกิดมาจากกุศล จ, จากกุศลธรรมก็ได้เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงกลุ่มบุคคลเอาไว้เป็นสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าทรงใช้คำว่าธรรมะสมาทานบางจังคือหมายความวาการประพฤติปฏิบัติธรรมะบางจางให้ทุกในปัจจุบันแล้วก็มีทุกเป็นวิปากคือมีทุกเป็นผลที่จะเกิดขึ้น เช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลต้องจาใจทําความชั่วเพราะถูกบีบบังคับถูกค่มคู่ถูกพุกคามให้ประพฤติใกนกระทําเช่นนั้นจําเป็นจะต้องทําความชั่วเหล่านั้นไปโดยความจําใจจริงๆหรือความทุกข์ใจจริงๆแต่ความชั่วก็คือเรื่องของความชั่วในสุดตนเองก็ได้รับความทุกขเวทนาได้รับความทุกขในโอกาสต่ตอไปเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำชั่วเหล่านั้น มีงแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติบางอย่างให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็มีทุกข์เป็นผล er ต่อไปด้วยการปฏิบัติบางอย่างนั้นมีทุกข์ในปัจจุบันแต่ก็มีสุขเป็นผลในโอกาสต่อไปอย่างการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสของความอยากได้อยากสนุกเพลิดเพลินอยากพักผ่อนเป็นต้นมาบำเพ็ญเพียรความดีในขั้นต่างๆอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันนั้น ในเชิกงก็เวทนาแล้วมันก็เป็นทุกขเวทนาในปัจจุบันหรือเมือนาการหมั่นขยันศึกษาเล้วเรียนหมั่นขยันในการประกอบกิจาการงานต่างๆก็มีทุกอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นแต่ว่าในที่สุดจะมีสุขเป็นผลที่ทรงใช้คำว่ามีสุขเป็นวิบากในโอกาสต่อไปนี่ก็แสดงเห็นได้ว่าบางครั้งการประกอบความดีมันก็มีทุกขเวทนาได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าขนต่อจากนั้นก็จะเป็นความสุขทำนองเดียวกันบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในประชาติต่างๆอย่างที่เคยศึกษาเราเรียนกันมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะประสบความทุกข์ในปัจจุบันแต่จะมีสุขเป็นผลในโอกาสต่อไป การประพฤติปฏิบัติบางอย่างในข้อที่สมนั้นทรงแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่ก็มีทุกเป็นวิบากคือมีทุกเป็นผลในโอกาสต่อไปจนว่าคนจะทําอะไรก็ทําไปตามเพลินความพอใจอยากเที่ยวเที่ยวอยากนอนนอนยากคุยคุยอยากสนุกสนานก็สนุกสนานมันก็รู้สึกเพลินเพลินดีสบายดีชีวิตก็ไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากนักไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแต่ในที่สุด จากการที่ไม่ได้ศึกษาในวัยที่ควรศึกษาไม่ได้ประกอบกิจการงานในวัยที่ควรประกอบกิจการงานไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเมือ่อกำลังเรียบแรงสามารถประพฤติปฏิบัติได้ในที่สุดตัวเองก็จะประสบความทุกข์เพราะขาดความรู้บ้างเพราะขาดทรัพย์บ้างเพราะขาดสถานะบ้างเพราะขาดหลักเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวในทาง จ, จาิตใจเป็นต้นบ้างผลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและทั้งในโอกาสต่อๆไป นี่ก็แสดงเห็นว่าความสนุกเพลิดเพลินในบางอย่างนั้น ต, ตัวมันเองก็เป็นอกุศลในแง่ของธรรมะก็เป็นอกุศลเป็นความเกียดคร้านเป็นพวกอบายามุกต่างๆแต่คนก็รู้สึกเพลินรู้สึกสนุกสนานกับเรื่องเหล่านั้นเราดูแล้วก็เป็นสุขดีแต่ก็จะมีทุกเป็นผลคือมีทุกเป็นวิบากในโอกาสต่ตอไปในขณะนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นสุขเวทนาก็ได้ทั้งๆที่เขาเริ่มจากความทุกข์ แต่ที่แน่นอนว่าโอกาสต่อจากนั้นเขาจะประสบความทุกข์ข้อที่สนั้นทรงแสดงว่าธรรมะสมาทานบางอย่างคือการประพฤติปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตบางอย่างนั้นมีสุขในปัจจุบันแล้วก็มีสุขเป็นวิบากต่อไปในที่นี้ก็หมายถึงคนที่มีวาสนามีบารมีมีพื้นฐานในด้านต่างๆดีอยู่แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติไปอีกไม่มาก ก็ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นการปฏิบัติของท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรก็ทํานองใกล้ๆกับว่าก็ข้าวก็ไม่ต้องนาก็ไม่ต้องทําข้าวก็ไม่ต้องหุงก็มาถึงก็เปิดกินได้เลยมันก็เหนื่อยนิดหน่อยใ น, ในกรณีที่ต้องตักเคี้ยวเท่านั้นเองอบางครั้งพระเจ้าก็ทรงอุปมาไว้ว่ามันเหมือนกับคนที่ ที่ไปนั่งในโต๊ะในที่รับประทานอาหารคือรับประทานอาหารได้เลยเพราะทุกอย่างมันก็พร้อมอยู่แล้วลักษณะของผู้ปฏิบัติเช่นนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งทรงใช้ว่าคิ ป, ปะปัญญาคือรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้เร็วเป็นคนประเภทดอกบั ว, วพ้นน้ารอรับแสงราตรีประตูแสงราตรีหน่อยเดียวก็จะบานได้อย่างเช่นพระยสัทธรมาฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้า หน่อยเดียวก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วหรือภาษารีบุตรฟังธรรมะสองคาถาก็บรรลุเป็นประโสดาบันแล้วเป็นต้นปฏิบัติก็สบายด้านในที่สุดก็มีสุขก็เป็นวิบากด้วยนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องของธรรมะนั้นจะมองการเพียงจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะก็คงจะไม่ได้จะต้องมองการตลอดทั้งกระบวน หรอไม่ใช่มองเฉพาะปัจจุบันแต่มองผลที่ต่อเนื่องจากปัจจุบันแล้วก็ผลในอนาคตที่สืบต่อไปด้วยแล้วจึงจะเห็นธรรมะเป็นกระบวนเหล่านั้นว่ามันจะอยู่ตามสมควรแก่สถานะของธรรมะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นอัานะคือเป็นเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลซึ่งกระทำความชั่วแล้วจะรับความสุขความเจริญเพราะการกระทาชั่วของตน แต่ว่าทั้งนี้ทั้นั้นไม่ได้หมายความว่าคนซึ่งทําความช่วจะไม่มีความสุขความเจริญเพราะว่ากรรมของคนเรานั้นไม่ได้มีเฉพาะปัจจุบันแต่ก็มีกรรมในอดีตมีผู้ใหญ่ในปัจจุบันสนับสนุนอยู่เป็นต้นตอนั้นเวลาแสดงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงได้เพียงว่าบุคคลที่ทําความชั่วนั้นตราบใดที่ความชั่วยังไม่ให้ผลก็จะรู้สึกเพลิดเพลินในการกระทําชั่วของตน เปรียบเหมือนคนที่กินอ้อยซึ่งมีรสหวานที่ตอนปลายแต่ว่าที่ที่โคนเป็นพิษแล้วเมื่อกินไปกินไปหวานไปเพลินไปพอเจะไปถึงยาพิษข้าก็จะประสบอันตรายจากยาพิษข้างหลังและในขณะเดียวกันก็เป็นอาถานะคือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งคนซึ่งกระทาความดีแล้วจะรับความเดือดร้อนเพราะการกระทาดีของตน ถึงก็มายความว่าในขณะที่คนทําความดีอยู่ในปัจจุบันนั้นอาจจะประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆก็ได้เพรบกกรรมไม่ได้มีเฉพาะปัจจุบันนะครับแล้วคนอาจจะกําลังเสวยผลของอดีตกรรมอยู่ก็ได้แต่อดีตกรรมที่นําผลให้เกิดเป็นความทุกข์นั้นจะต้องเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลส่วนในปัจจุบันนั้นเป็นผลที่จะเขาจะต้องได้รับแนอกาสต่อไป ถึงตามปกติแล้วการทำความดีมันก็มีลักษณะเหน็ดเหนื่อยต้องทวนกระแสต่ออารมณ์ของตนเองทวนกระแสต่ออารมณ์ของบุคคลอื่นบางครั้งบางคราวก็ถูกคนอื่นเขาริษย า, าไม่พอใจในความดีความเด่นของของบุคคลนั้นๆถึงผู้ปฏิบัติธรรมเองก็จะต้องหาความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ว่านั่นคือธรรมดาของโลกเป็นอย่างนั้นเอง แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดด้วยประการทั้งปวงก็ยังมีคนจองล่างจองฐานเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆ ต, ง ต, ง ต, งตลอดประชนอาชีพของพระองค์นักภาษาลายภาสามานุชนคนทั่วไปที่จะไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกประทุษร้ายไม่ถูกริษยาอาฆาตแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็อาจจะหาประโยชน์จากการเบียดเบียนริษยาอาฆาตของบุคคลเหล่านั้นเพิ่มไป เ, เพิ่มความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตน แต่จริงมันก็เป็นการพิสูจน์จิตใจของบุคคลได้ประการหนึ่งว่าจะมีความอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์เหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไพรดังนั้นเรื่องของธรรมปฏิบัติจึงเป็นการเชี้ยเห็นชัดตรงไปว่าตัวการใหญ่จริงๆนั้นมันอยู่ภายในไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเจตสิกธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตในแต่ละขณะ แล้วก็มีการกําหนดอารมณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามพื้นฐานจิตใจในแต่ละขณะในแต่ขณะของอารมณ์เหมือนกันแล้วข้อนี้จะเห็นได้ว่าพวกวัตถุกรมอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆว่าเป็นบ่วงมารบ้างเป็นเครื่องปลูกของมารบ้างเป็นพวงดอกไม้ของมานบ้างบางทีก็ใช้คําว่าเปิดตมอะไรเป็นต้นก็ทรงสรุปเป็นรูปธรรมคือชี้ในเชิงรูปธรรมให้เห็น โดยอุปมาอุปไมยที่มากมายได้กันแต่ตัวการจริงๆก็ทงชี้ไปที่จิตซึ่งไปกําหนดหมายจิตที่ไปกําหนดหมายแล้วไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นถ้าไปกําหนดหมายว่าสวยผักงามใจมันก็กําหนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์หล่นั้นแล้วข้อนี้จะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับการกําหนดหมายจริงๆเพราะว่ารูปเดิมนั่นเอง แต่ว่าเมื่ออารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปมีการกําหนดหมายเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งมิตรมันก็กลับเป็นศัตรูสามีภรรยาซึ่งรักกันมากก็กลับฆ่ากลับเป็นศัตรูกันลกลับแตกแยกกันและบางครั้งก็ทําลายล้างกันนี่จะเห็นว่าบุคคลก็คนเดิมแต่ว่าอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไปการกําหนดบุคคลกําหนดห ก, กรณนนีนั้นๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ ดังนั้นปัญหาสําคัญจึงอยู่ที่กิเลสกามไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุกรรมพวกกิเลสกรรมที่ไปกําหนดอารมณ์ถ้ากําหนดในแนวน่าใคร่น่าปรารถนากิเลสสายโลภะก็เกิดแต่ในขณะเดียวกันบางขณะอารมณ์นั้นเองก็กําหนดในแนวปฏิฆะคือความไม่พอใจความกระทบกระทั่งความไม่ยินดีจิตใจก็เปลี่ยนไปเป็นโทสั ดังนั้นเพิ่งเข้าใจว่าการที่ทรงแสดงว่าให้มองเห็นคุณของเนคขมะคือการออกจากกิเลสออกจากกามว่าเป็นทางแห่งความกเกษมนั้นเป็นโบหารในการเทศเพราที่จริงการออกจากกิเลสมันก็ต้องออกกันทั้งหมดนั่นแหละแต่อย่าลืมว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องถึงการแม้จะพูดถึงกิเลสกามเพียงอย่างเดียวแต่เพิ่งสังเกตว่ากิเลสกามนั่นเองถ้าเราชอบ ในตัววัตถุกรรมนั่นเองถ้าใจเราชอบไอ้กิเลสฝ่ายโลภะมันก็เกิดทีนี้ถ้าเกิดผิดหวังเปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดกิเลสสายโทสะแต่การที่เกิดกิเลสในลักษณะนั้นก็เพราะว่าใจคนมีโมหะหรือมีอวิชชาอยู่แม้แสดงเพียงข้อเดียวหรือแสดงเฉพาะพวกกิเลสสกัดแต่ก็ย่อหมายถึงพวกโทสะและก็พวกโมหะตามไปด้วยเพราะมีความเกี่ยวเนื่องถึงกัน ปัญหาการที่จะออกจากให้เห็นเนคขมะเป็นทางเกษมนั้นคาว่าเนคขมะแปลว่าการออกเพื่อคุณที่ใหญ่กว่าบางทีเราเรียกการออกบวดของพระพุทธเจ้าว่ามหาพิเนสกลมคือการออกเพื่อคุณที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการดำรงชีวิตแบบชาวโลกนั้นจะไม่มีคุณเลยแล้วก็มีคุณตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบเราจะเอาไปเปรียบเทียบอะไรกับอะไร แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดการครองเรือนในรูปแบบอะไรก็ตามเป็นทางมาแห่งโทษเป็นทางมาแห่งทุลรีเป็นทางมาแห่งเวรไภแล้วก่อความทุกนาน า, น า, นาประการให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นแต่ก็เห็นเลขธาระคือการออกจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทางแห่งความกเกษมแต่าก็จริงแล้วในเชิงของการปรฏิบัติ เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่าประพฤติปฏิบัติได้ยากเพราะกระทวนกระแสของกิเลสแรงมากแต่นั้นประเภทของบุคคลในโลกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมีอยู่สประเภทเช่นเดียวกันประเภทแรกก็คือไม่เห็นโทษของกิเลสกามและก็วัตถุ ก, กามแต่ประการตากายของตนเองก็ไม่ออกไปจากเรื่องเหล่านั้นจิตใจก็มัวมองหมกมุ่นวุ่ น, นวายอยู่กับเรื่องเหล่านั้นประเภทที่เราเรียกว่าการมสุ ข, ขัานิการหนุ่ยโจ คือการประกอบตนในัพวพันธหมกมุ่นบุบวายอยู่ในเรื่องของอความรักความชังต่างๆ ต, ต, ตามวิถีชีวิตแบบสาวโลกทั่วๆไปอุคกรณ์ประเภทที่สองนั้นก็อาจจะพยายามที่จะดึงกายของตนออกไปเช่จนจะออกไปฟังธรรมจำศีลประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเป็นนักบวชในเพศต่างๆแต่ใจก็ยังไม่วุ่นยังไม่วายที่จะ คิดคุ่นคิดขณะหนึ่งหาถึงสิ่งที่ตัวใคร่ปรารถนาพอใจลักษณะของอารมณ์เหล่านี้บางครั้งถ้าเป็นไปรุนแรงพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่ากระสันคือเป็นลนักษณะโอยหาเรียกร้องต้องการสิ่งที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจแม้ว่ากายจะอยู่ในที่หนึ่งแต่ว่าใจก็กลับไปอยู่ในที่หนึ่งขัาขางความสุขปรากฏเอกอีกประเภทหนึ่งนั้นแม้จะอยู่เป็นค า, ารวะครองเรือนอยู่ แต่ว่าใจได้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับเพียงพินิพิจารณาเห็นโทษของกิเลสของอารมณ์ต่างๆได้ประจกักษ์ชัดแก่ใจ mm hmm. ก็พยายามถ่ายถอนความรู้สึกนึกคิดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรักความชังให้น้อยลงจนถึงสามารถที่จะหยุดความรักความชังในเรื่องบางเรื่องลงไปได้โดยลำดับดเรียกว่าตัดขาดในหลายๆเรื่องหรือว่าตัดขาดมโดยลาดับ ยการประพฤติปฏิบัติในระดับ น, นี้เป็นการเปิดโอกาสกว้างแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายสามารถที่จะปฏิบัติขึ้นไปได้จนถึงเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งเป็นอรียบบุคคลชั้นสามในพระพุทธศาสนาส่วนประเภทที่สี่นั้นก็เป็นการออกจริงๆคือทั้งกายทั้งใจถือหมายถึงว่าเป็นการบวชพร้อมทั้งกายทั้งใจอาจจะอยู่ในเพศนักบวชประเภทใดก็ตาม แต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็กายก็บวชใจก็บวชคําว่าบวชกับขันมาเนคขมะก็มีความหมายใกล้ๆ ก, ก, ก, กันเนคขมะแปลว่าการออกเพืกคุณทันใหญ่การบวชแปลว่าการเว้นทั่วคือเว้นกิจกรรมต่างๆที่จะนํามาซึ่งกิเลสทุลยความเดือดร้อนในด้านต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่บุคคลจะต้องพยายามปฏิบัติและที่สําคัญอย่างยิ่งคือต้องมองเห็นในส่วนที่เป็นคุณ ของกุศลธรรมหรือของความดีทั้งหลายและจิตใจก็จะเกิดฉันทะอุสาหาพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติในกุศลธรรมเหล่านั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสึกต่อไป